มันมีประโยชน์อะไรกลละครั้งหนึ่งในเมืองเล็กๆของเยอรม น, นียังมีครอบครัวหนึ่งที่มีพ่อและแม่พร้อมกับลูกเจดคนครอบครัวนี้ไม่ได้ดีดเท่าไหรนะ่นักพ่อทำงานที่ไพรสน์นีและได้เงินเดือนน้อยมากส่วนแม่มาจากครอบครัวที่มีฐานนะและใช้เงินอย่างทานาันทลอดเธอใจดีและดูแลลูกๆอย่างดี แต่มีปัญหาอยู่อย่างคือเธอขี้เหนียวอย่างมากเธอไม่เห็นความจำเป็นที่ต้องซื้อของสิ่งใดเลยถ้ามันไม่ได้ใช้งานนั่นทำให้เธอติดนิสัยที่จะถามว่ามันมีประโยชน์อะไรลูกคนที่เจ็ดคนสุดท้องแฮนซี่เธออ่อนหวานและเป็นเด็กน่ารักเธอชอบเล่นและเต้นเป็นประจำแต่นิสัยของแม่ทำให้เธอเศร้าอยู่เสมอเด็กๆทุกคนในครอบ ครัวเติบโตขึ้นและเชื่อว่าทุกอย่างต้องมีประโยชน์ยกเว้นแต่แฮนซี่ในไม่ช้าคริสต์มาสก็ได้มาถึงมันเป็นช่วงเวลาที่เด็กๆต่างตื่นเต้นมากพายพวกนี้อร่อยเหอะเลยแฮแม่คะพวกเราทำเ ค, ค้กช็อกโกแลต ด, ด้วยดีไหมคะแม่ถุงเท้าให้เจมมี่เอ่อชุดนักเรียนใหม่ให้กับเอลเลนแล้วก็เอ่อทุกอย่างเรียบร้อยดีจะ้ะ เ, เต้นจังที่จะได้เห็นต้นคริสต์มาสแสนสวยที่ส่องสว่างเมื่อเด็กๆได้ยินแบบนี้เด็กทุกคนก็ยิ่งมีความสุขขึ้นไปอีกแม่ครับแม่เอ่อพวกเรานะ่จะซื้อต้นคริสต์มาสตอนไหนกันดีล่ะครับแม่อะไรนะโอ้เออปีนี้แม่คิดว่าเอ่อต้นคริสต์มาสเนี่ยไม่มีความจำเป็นนะจ่ะดังนั้นเราคิดว่าจะไม่มีกันนะ่ะคุณหมายความว่ายังไงเหรอที่รัก นี่มันจะขี้เหนียวเกินไปแล้วนะพวกเรานะ่ยจะต้องซื้อต้นคริสต์มาสแน่นอน <C le af> เขาเดินออกไปและทิ้งภรรยาที่หงุดหงิดอย่างมากไว้แค่ไม่มีต้นไม้มันก็เป็นคริสต์มาสได้เหมือนกันนั่นแหละเธอยังคงคิดว่าตัวเองถูกและตัดสินใจจะไม่ซื้อต้นคริสต์มาสสามีของเธอคิดว่าเธอคงแค่พูดเล่นและไม่คิดว่าเธอจะทำถึงขนาดนั้น เขายิ้มออกมาเพราะรู้ว่ายังไงเธอก็คงซื้อเด็กๆต่างก็ใจสลายเรื่องนี้แฮนซี่ดูจะหนักที่สุดในช่วงเวลานั้นพวกเขาต่างเศร้าหมองและไม่มีความสุขจนคริสต์มาสใกล้มาถึงพ่อของพวกเขายุ่งมากจนไม่มีเวลาสังเกตแต่แม่ของพวกเขายังคงทำให้รู้สึกแย่ นี่แม่น่ต้องซื้อต้นไม้จริงๆเหรอโอไม่นะมันเออไม่มีประโยชน์เลยสักนิดเดียวนะ่ะและด้วยวิธีโน้มน้าวตัวเองแบบนี้ทำให้เธอไม่คิดเรื่องต้นไม้อีกวันก่อนคริสต์สมาสมาถึงแฮนซี่เศร้าใจอย่างมากเธอกลับมาจากโรงเรียนและเธอมองหาต้นคริสต์มาสที่น่ารักที่เต็มไปด้วยสีสันแวววาวนี่มันไม่ยุติธรรมเลย ถ้าแม่ไม่ยอมซื้อต้นคริสต์มาสฉันน่าจะทำมันเองและแทนที่จะกลับบ้านเธอเข้าไปในป่าเพื่อมองหาต้นไม้ที่ดีที่สุดไม่ช้าเธอก็ามาถึงเธอเริ่มมองไปรอบๆเพื่อหาต้นไม้เธอพบกับต้นไม้ต้นหนึ่งล้มอยู่เธอพยายามจะแบกมันขึ้นแต่เธอยังตัวเล็กเกินไปที่จะแบกต้นไม้ใหญ่เออโ อ, โอแย่จังต้นไม้ต้นนี้เยี่ยมไปเลย ฉันในอยากจะให้มีคนมาช่วยฉันจังท่านใดนั้นได้มีกระรอกตัวใหญ่ออกมาจากโพรงไม้มันมองมาที่แฮนซี่คนที่ประหลาดใจยอย่างมากมันกระโดดมาที่เธออ้อสวัสดีคนกระรอกกระรอกยื่ตัวขึ้นและชูลูกนัดขึ้นมานั่นให้ฉันเหรอออขอบคุณมากเลยนะกระรอกหัวเราะออกมาและแฮนซี่ก็เช่นกัน นายพอจะรู้จักใครสักคนที่ช่วยฉันแบกต้นไม้นี้ได้หรือเปล่ากระรอกมองที่เธอและใส่หัวโอ้ได้โปรดเนะฉันแน่ใจเลยว่านายเป็นกระรอกที่ใจดีใช่หรือเปล่ากระรอกสายหางและยิ้มออกมาเขายืนขึ้นสองขาและร้องออกมาเสียงดังโอ้ทำไมถึงทำเสียงแบบนั้นล่ะเขากำลังเรียกพวกเราไงพวกเราไงพวกเราไง แฮนซี่ดีใจมากที่เห็นคนแคร์มากมายเธอเดาถูกเลยว่าเจ้ากระรอกจะต้องเรียกคนมาช่วยเธอแบกต้นไม้เอาละ่ะตอนนี้ฉันหวังว่าเธอจะมีของสวยๆไว้ตกแต่งต้นไม้นะอ้ไม่นะอันเก่าของพวกเรานะ่พังไปแล้วและแม่ก็ไม่ยอมซื้อใหม่สักทีนะสิไอหมองเลยอะพวกเราก็ไม่มีจะเอาอย่างไงดีเนี่ย ไม่ได้แน่มาทั้งให้เธอกันเจ้ากระลอกจะมาช่วยเราไหมดังนั้นแฮนซี่จึงเฝ้าดูคนแคร์และกระรอกเก็บลูกโอก๊กลูกสนและเบอร์รี่ในป่ามาพวกเขาเอามันมาร้อยกับเชือกเพื่อจะเอาไปแขวนบนต้นไม้ได้เอาละตอนนี้นำทางพวกเราไปบ้านเธอกันเลยโอ้โอแฮนซี่หัวเราะตลอดทาง เธอมีความสุขมากคนแคร์แบกต้นไม้หนักๆได้อย่างง่ายดายบนหลังพวกเขาแฮนซี่เธอเป็นลูกคนที่เจ็ดและเธออยู่ถนนสายเจ็ดใช่ไหมอ้อคุณรู้ได้ยังไงคะอพวกเรารู้ทุกอย่างนั่นแหละพวกเรายังรู้ได้ว่าเหล็กเจ็ดน่นเป็นเหล็กมงคล น่าทำให้เธอเป็นเด็กโชคดีมากเลยเธอรู้ไหมเจคูณเจเนี่ยได้เท่าไหร่หนูไม่รู้สิคะหนูรู้แค่ว่า7คูณ2ได้14แต่ว่านี่มาเรื่องอะไรกันน่ะเราไม่ได้อยู่ในห้องเรียนนี่เจคูณ7ก็ได้ส9่สิาจำเอาไว้ให้ดีนนะคนเลขนำโชคเลยในขณะเดียวกันแม่ของแฮนซี่ก็เป็นห่วงเธอมากมันใกล้มืดแล้ว แต่แฮนซี่ยังไม่กลับบ้านเธอคงไปบ้านเพื่อนตามเคยละสิฉันนี่อยากจะบ้าจริงๆเลยแต่เดี๋ยวเธอก็คงกลับมาแฮนซี่กระโดดไปมาอย่างมีความสุขในขณะที่พวกเขาเดินแบกต้นไม้ผ่านป่าสัตว์ตัวเล็กในป่าต่างมองออกมาจากโพรงของพวกเขาและโบกมือให้กับผู้ผ่านทางน่ารักจังเลยไม่ไบร์นะเพื่อนตัวน้อย ไม่ช้าพวกเขาก็มาถึงบ้านเธอตอนนี้เริ่มค่ำแล้วหิมะเริ่มตกลงมากเรามาเริ่มตกแต่งต้นไม้กันเลยไหมและพวกเขาจะตกแต่งต้นไม้ได้ยังไงเจ้ากระรอกกระโดดขึ้นไปตามกิ่งไม้พร้อมห้อยลูกโอ๊กและลูกสนคนแคระใช้พลังเวทของเขาและเปลี่ยนเบอร์รี่ให้กลายเป็นเทียนสีแดงที่งดงามต้นไม้นี้ดูสวยมากเลยค่ะ และใช่แล้วคนแครและกระรอกต่างทำงานของพวกเขาได้อย่างยอดเยี่ยมมากว้าวถ้างั้นตอนนี้พวกเรากลับบ้านก่อนล่ะนะโอ้งั้นเหรอคะก่อนจะคริสต์มาสแล้วพวกเราต้องอยู่ฉลองกับครอบครัวไปก่อนล่ะนะแฮนซี่บ๊ายบายหวังว่าจะได้เจอกันอีก คืนนั้นเมื่อพวกเขากําลังรอพ่อกลับบ้านเด็กๆไม่มีความสุขเลยที่ไม่มีต้นคริสต์มาสและแม่ของพวกเขาก็เศร้าใจมากเมื่อเห็นเด็กๆไม่มีความสุขพ่อกลับมาแล้วที่รักของพ่อทําไมทุกคนดูเศร้ากันจังเลยโดยเฉพาะแฮนซี่โอ้ลูกรักเรื่องต้นคริสต์มาสอย่างนั้นเหรอแม่รู้สึกผิดเป็นอย่างมาก เมื่อเห็นลูกๆของเธอเศร้าใจตอนนี้เธอใจสลายลงโอ้แม่ขอโทษด้วยนะที่ไม่ได้ซื้อต้นไม้มาเพราะแม่รู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์นะแม่ขอโทษจริงๆคุณพูดองอะไรเนี่ยที่รักผมเห็นต้นไม้น่ารักอยู่ข้างนอกนั่นโอ้นี่เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์สินละเป็นเออเซอร์ไพรส์ที่แปลกมากเลยพวกเขามองหน้ากันแล้ววิ่งออกไปข้างนอก ทุกคนประหลาดใจมากเมื่อเห็นต้นไม้แสนวิเศษลูกสนเปลี่ยนเป็นสีเงินลูกโอกเปลี่ยนเป็นระฆังสีทองเล็กๆ เ, เทียนลุกโชดช่วงส่องแสงและมีดวงดาวสีทองระยิบระยับตรงปลายยอดนี่เป็นคริสต์มาสที่วิเศษสุดๆไปเลยว่าไหมทุกคนฮะใช่ใช่เลย Oh. แม่ไม่รู้เลยว่าต้นไม้นี้มาได้ยังไงแต่เธอต้องขอบคุณปฏิหาร์แห่งคริสต์มาสเมื่อเห็นใบหน้าที่มีความสุขของสามีและลูกๆของเธอเธอได้ตระหนักว่าตัวเองนั้นผิดเธอสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ขี้เหนียวอีกต่อไปวันต่อมาแฮนซี่ได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้พี่ๆของเธอฟังเกี่ยวกับคนแคระและกระรอก พวกเขาเข้าไปในป่าพร้อมกับเค้กก้อนโตเพื่อขอบคุณแต่เราจะเรียกพวกเขาได้ยังไงกันละ่ะพวกเขาบอกบางอย่างที่จะนำโชคมาให้บางทีถ้าเราพูดมันซ้าๆพวกเขาอาจจะออกมามันก็คือ7คูณ7ได้49ายัางไงละ่ะเด็กคนอื่นต่างสับสนว่าต้องพูดยังไงแต่พวกเขาก็พูดตามออกมาเรื่อยๆจนคนแคะและกระรอกได้ออกมาเด็กๆ ตางมีความสุขมากพวกเขามอบเค้กและขอบคุณคนแค้กับเจ้ากระรอกจอมสนเมื่อเด็กๆ ก, กลับบ้านแม่เข้ามากอดลูกๆของเธอทุกคนเธอระดังแล้วว่าไม่มีสิ่งใดสวยงามกว่าใบหน้าที่มีความสุขของคนในครอบครัวท้ายที่สุดนี้คริสต์มาสคือการใช้เวลาอยู่ด้วยกันกับครอบครัวแบ่งปันและมอบความสุขแก่กันและกันและในที่สุดเจ้ากระรอกจอมสนก็ได้ให้บทเรียนกับแม่แล้ว